ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับในบ่ายวันนี้นะคะที่พาพเจ้าได้มีโอกาสมาแบ่งปันเพราะฉะนั้กับพี่น้องนะคะ mm hmm. เห็นกันบ่อยมากเลยใช่ไหมคะทุกเดือนเลยนะคะดีดีใจนะคะ mm hmm. ก็หันไปหาคนซ้ายมือขวามือได้ไหมคะ mm hmm. ทักทายกันหน่อยนะคะ mm hmm. เพราะว่าวันนี้มีคนมาเยี่ยมเราเยอะเลยนะคะ mm hmm. เป็นคนหน้าใหม่ๆนะคะ ก่อนที่เราจะฟังพระรานะของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในบ่ายวันนี้ที่ข้ามหมายทุกคนได้มีโอกาสมาอยู่จํเพาะพระภักของพระองค์ได้ร้องเพลงสรรเสริญออกพระนามของพระองค์และเวลาต่อไปข้ามหมายทุกคนจะได้ยินได้ฟังถึงพระรานะของพระองค์ขอบพระสถิตอยู่ท่ามกลางข้ามหมายทุกคนประทานสติปัญญาประทานความเข้าใจให้กับข้ามหมายทุกคนด้วยขาแ่พระเจ้า ให้พระวจนะในบ่ายวันนี้จะแต่ต้องสัมผัสจิตใจให้กับพี่น้องทุกคนที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของเขาได้ข้าแต่พระเจ้าขอมอบบ่ายวันนี้ให้อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะเดือนนี้นะคะเป็นมีนาคมแล้วนะคะเร็วไหมคะ3ามเดือนผ่านไปนะคะก็ เป็นช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมนะคะเป็นช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมหรือที่เราเรียกว่าเลนส์นะคะถูกหรือเปล่าคะถูกใช่ไหะเคื่องเลนส์นะคะหรือที่คาทอลิกนะคะเรียกว่าเทศกาลมหาพจทธนะคะเทศกาลมหาพจน์เป็นเทศกาลที่เตรียมไว้สําหรับวันอีสเตอร์นะคะวันอีสเตอร์ปีนี้ที่โบสถ์เราจัดวันที่หนึ่งเมษานะคะก็ สามารถที่จะมาร่วมได้นะคะพี่น้องท่านใดที่มาแต่ช่วงบ่ายนะคะลองให้เรามาช่วงเช้านะคะหกโมงเช้านะคะเราจะมีน้ัสการพระเจ้าด้วยกันเป็นการเตรียมนะคะเตรียมเพื่อที่จะเข้าอีสเตอร์นะคะเป็นเวลาที่จะระลึกถึงพระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็เป็นชีวิตแห่งการทนทุกข์ของพระองค์นะคะเป็นเวลาที่คริสเตียนเราทุกคนนะคะจะสำรวจนะคะสำรวจตัวเราเองนะคะว่าเรามีความ ความรักความพักดีกับพระเจ้าและถวายชีวิตให้กับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นเวลาที่คริสเตียนเราทุกคนนะคะจะภาวนาอธิษฐานนะคะและอดอาหารนะคะมีใครที่รับหนังสือเล้นไปบ้างคะหนังสือเล้นได้เล้นกันหรือเปล่าคะ40วันนะคะเริ่มตั้งแต่วันพุธรับเท่าเป็นการอดอาหารนะคะที่จะอธิษฐาน เข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะคะหนังสือเล่นนะคะจะมีทั้งหมด40เอ่อท่านนับนะคะตั้งแต่พรูรับเท่าจนถึงอีสเตอร์จะมี40วันนะคะโดยที่ไม่นับวันอา่าวันอาทิตย์นะคะไม่นับวันอาทิตย์จะมี40วันที่เราจะอ่านแล้วก็ไข้ขวนด้วยกันนะคะโดยการที่อดอาหารนะคะข้าพเจ้านะคะก็อดอาหารนะคะไม่ได้อดทุกมื้อนะคะแต่ว่าอดเป็นบางอย่างนะคะแบบอดแป้ง อดแป้งนะคะบางคนอาจจะอดเนื้อนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอดเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือบางคนอาจจะอดทั้งสามื้อเลยนะคะมีพี่คนนึงนะคะที่อยู่สํานักงานนะคะเขาอดทั้งสามื้อเลยนะคะโดยที่กินแต่ผลไม้นะคะแล้วก็อดข้าวอดอาหารเนี่ยคะ่ะ3มือ้อพูดถึงอดอาหารนะคะอยากจะขอเล่านิดนึงนะคะตอนที่ข้าพเจ้าเรียนอยู่มาหาลัยนะคะก็ด้ยวยความเป็นวัยรุ่นนะคะข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสอดอาหาระคะ่ะ จากออตอนเข้าไปปีหนึ่งเนี่ยยังจะไม่ได้เรียนนะคะจะได้เรียนตอนปี2เกี่ยวกับการอดอาหารนะคะว่าอดอาหารมีวิธีการยังไงบ้างนะคะข้าพเจ้าก็ได้เรียนไปนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยได้ทํานะคะแต่ได้ไปทําตอนไหนรู้ไหมคะตอนที่ข้าพเจ้า อ, อกหักคะ่ะตอนนั้นข้าพเจ้าเป็นวัยรุ่นนะคะก็มีแฟนนะคะก็ อ, อกหักคือเหมือนเรากับคือเราเนี่ยขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยนะคะเพราะว่าตอนช่วงที่เรามีแฟนเนี่ยเราก็แบบ คือจากที่เรียนพระคิดธรรมอ่านพระธรมพีนะคะพิะมพีนะคะจะได้อ่านเฉพาะตอนที่เรียนเท่านั้นนะคะดูเหมือนแบบเรียนพิะธรมพีอาจจะได้จะได้อ่านพระธรมพีบ่อยๆใช่ไหมคะคือมันแทบจะไม่มีเวลาเลยนะคะในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าอีกครั้งหนึง่งโดยการอดอาหาร40วันนะคะโดยที่ไม่ทานอะไรเลยแล้วใช้เวลาในการทานอาหารนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนั้นข้าพระเจ้า คือพอหลังจากที่อดอาหาร40วันใช่ไหมคะแล้ว ร, รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีกำลังขึ้นมากจริงๆนะคะในการใช้เวลากับพระเจ้าแล้วเหมือนเราค้นหาหรือว่าเรากำลังสำรวจตัวเราด้วยว่าความเป็นจริงแล้วเราต้องการอะไรนะคะเราครบ คนที่เราคบด้วยเนี่ยเรารักเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เราเหมือนเราต้องกลับมาสํารวจเหมือนเช่นเดียวกันนะคะการเข้าสู่ธรรมนะคะคือเราต้องกลับมาสํารวจตัวเรากับพระเจ้านะคะเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนนะคะอย่างที่ข้าพเจ้าได้พูดไปนะคะว่าเข้าสู่ธรรมนะคะเริ่มในวันพุทธลับเท่านะคะหรือว่าพุทธที่เท่าเนาะเท่าในวันเท่าในที่นี้นะคะ ท, ที่กรุงเทพนะคะข้าพเจ้าไม่ค่อยเห็นว่าจะมีการป้ายป้ายขี้เท่านะคะแต่ว่าเมืองเหนือเนี่ยเขาจะใช้เผาใบลานนะคะเผาใบลานของปีที่แล้วนะคะ สมมติว่าปีนี้เราจะมีพุทธลับเท่าใช่ไหมคะเขาจะใช้ใบลานของปีที่แล้วอะค่ะมาเผานะคะแล้วก็เพื่อที่จะใช้โรยศีรษะหรือว่าใช้เป็นเครื่องหมายแห่งกลางเขียนนะคะที่หน้าผากอย่างเมืองเหนือนะคะข้าพเจ้าแบบเวลานามัสการวันพุทธลับเท่าในช่วงหลังนมัสการเนี่ยจะมีช่วงที่ทุกคนจะเดินออกมาตรงข้างหน้านะคะแล้วก็ให้อาจารย์หรือว่าศีพิบาล น, นะคะใช้ขี้เท่านะคะชุบน้ํา นิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอาป้ายตรงหน้าผากเป็นรูปไม้กางเขนหรือบางคนถ้าไม่ไป้ายตรงหน้าผากก็ป้ายตรงแขนนะคะเป็นรูปไม้กางเขนเป็นสั ญ, ญลักษณ์นะคะเห็นการทนทุกข์ <c oughs> เหมือนทําไมมีอาจจะมีคําถามว่าทําไมถึงใช้ใบลานของปีที่แล้วนะคะก็เพื่อที่จะสะท้อนแล้วก็เตือนใจของเราในแต่ละคนนะคะว่าสภาพจิตใจของเราแต่ละคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะเปราะบางโลเลนะคะหรือว่าอ่อนไหวแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความบาปทั้งต่อตัวเองต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็ที่สําคัญคือต่อพระเจ้าด้วยนะคะ เข้าสู่ธรรมนะคะเข้าสู่ธรรมหมายความว่ายังไงเข้าสู่ธรรมก็คือหมายถึงเอาชีวิตของเรานะคะหันชีวิตของเราเนี่ยเข้าสู่ธรรมะถ้าพูดง่ายคือหันเหมือนหันเข้าสู่ธรรมะนะคะเข้าสู่พระคำของพระเจ้านะคะเข้าสู่พระคำของพระเจ้าหันชีวิตของเราให้เข้าใกล้กับพระเจ้าให้มากขึ้นนะคะเหมือนสาวกนะคะที่ใช้ใช้เวลากับพระเยซูคริสต์ในช่วงที่พระองค์จะถูกอายัดนะคะสาวกได้ใช้เวลาอยู่กับพระเยซูคริสต์นะคะ หัวข้อเทศนาในบ่ายวันนี้นะคะข้าพเจ้าให้หัวข้อว่าเข้าสู่ธรรมรมสู่ชีวิตะคะเข้าสู่ธรรมทำสู่ชีวิตเมื่อเราหันเข้าสู่พระเจ้านะคะพระเจ้าพระเจ้าจะสู่ชีวิตของเราะคะเมื่อเราหันหน้าเข้าหาพระเจ้าพระเจ้าจะอยู่ในชีวิตของเรานะคะพระคำของพระเจ้านะคะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะเทศกาลเข้าสู่ธรรมนะคะจะมีความหมายได้ ในบยวันนี้นะคะข้าพเจ้าให้พี่น้องอยู่4ประการนะคะสั้นๆนะคะไม่ไม่ยาวมากนะคะ <c oughs> ประการนะคะมีอะไรบ้างนะคะประการแรกนะคะคือสำรวจตัวเองค่ะสรวจตัวเองในการลาเทียบ ท, ที่6ข้อที่4ีนะคะเมื่อสักครู่ที่เราได้อ่านไปด้วยกันบอกว่าทุกคนจงสำรวจการกระทำของตนเองจึงจะมีอะไรอะไรที่จะอวดได้ในตัว ไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่นนะในช่วงเทศกาลมหาพุทธหรือว่าเข้าสู่ธรรมนี้นะคะเราจะต้องจําเป็นที่จะต้องสํารวจจิตใจของเรานะคะสำรวจตัวเรานะคะชีวิตของเราว่ามีอะไรบ้างที่เราทําแล้วพระเจ้าได้รับเกียรติคะ <Hey. S 1> มีอะไรบ้างที่เราทําแล้วพระเจ้าได้รับเกียรติไม่ว่าจะเป็นการเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจของเราจริงๆะคะมีอะไรบ้างที่ ทาแล้วทำให้พระเจ้าเสียใจหรือว่าทำให้พระเจ้าไม่พอพระทยัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดของเราหรือว่าการว่าร้ายคนอื่นการนินทานะคะสิ่งต่ตางๆเหล่านี้นั่นคือล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยนะคะเพราะว่าพระราชดของพระเจ้าได้บอกกับเราหลายๆครั้งนะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่ควรที่จะทาหรือว่าไม่ควรที่จะยุ่งเกี่ยวนะคะแล้วยังมีความบาปอะไรที่ยัง ค้างขาดใจหรือว่ายังคงค้างอยู่ในใจเรานะคะฝังอยู่ในฝังอยู่ในใจเรานะคะเป็นเหมือนบ่มเพาะนะคะเหมือนเป็นตัวบ่มเพาะความบาปไว้นานๆนะคะระวังมันจะกลายเป็นรากขมขื่นนะคะในชีวิตของเราได้รากก็คืออยู่ในดินใช่ไหมคะรากคืออยู่ในดินอะไรที่อยู่ในดินเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ไหมคะ เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ถ้าเรามีรากขมขืนในชีวิตนะคะเราจะไม่มีสันติสุขอย่างแน่นอนเนะเราลองสำรวจดูดูตัวเรานะคะว่ายังมีอะไรที่ค้างคาอยู่ในใจหรือเปล่าความบาปไหนที่เรายังทำอยู่นะคะเพราะถ้าเราไม่เพราะถ้าเราไม่สำรวจเนี่ยเราก็จะไม่พบและความบาปมันก็จะยังอยู่อย่างนั้ น, นะะมันก็ยังคงคาอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าบาปก็คือบาปนะคะ พยายามเอาอะไรมาปกปิดเนี่ยมันก็ยังเป็นความบาปอยู่ดีนะคะข้าพเจ้ามีเรื่องเล่านะคะในช่วงปี1973งเก้เจ็ดสานะคะสายการบินแอตแลนติกนะคะเที่ยวบินที่401นะคะจะแล่นลงสู่สนามบินนะคะแต่นักบินเนี่ยไม่แน่ใจว่าเกียร์บังคับทำงาน ถูกต้องหรือเปล่านะคะก็เพราะว่าปกติเนี่ยเวลาบังคับเกียร์นะคะไฟเนี่ยจะสว่างทั้งหมด3ดวงนะคะจะสว่างทั้งหมด3าหลอดนะคะสหลอดด้วยกันนะคะแต่ไฟเนี่ยกลับสว่างแค่หลอดเดียวนะคะเออไม่ใช่ค่ะกลับสว่างแค่2หลอดนะคะกลับสว่างแค่2หลอดขึ้นที่หน้าปัดนะคะเวลานั้นเนี่ยก็ดึกมากๆแล้วนะคะหอบังคับเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้นะคะนักบินผู้ช่วยหรือว่าวิศวกรต่างๆนะคะก็ พยายามที่จะหาคำตอบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะพวกเขาเนี่ยคือมัวแต่ได้ยิน ม, มัวแต่หาคำตอบนะคะ หลอดไฟไม่ดับนะคะแต่ไมดับนะคะก็เขาก็พยายามที่จะหาคําตอบนะคะหาคําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะผิดปกติตรงไหนนะคะจนเขาเนี่ยลืมที่จะบังคับเครื่องบิ น, นะคะ่ะเขาพยายามที่จะหาว่าเกียอะไรยังไงแต่เขาลืมบังคับเครื่องบินนะคะทําให้เครื่องบินเนี่ยดิ่งลงสู่เทือกเขาเอเวอเรสต์นะคะซึ่งเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างสนามบินนะคะผู้โดยสารที่อยู่ในอยู่ในเครื่องบินลํานั้นเนี่ยก็เสียชีวิตทั้งหมดเลยนะคะ สืบหาสาเหตุหลังจากนั้นนะคะพบว่าเกียร์บังคับเครื่องทํางานเนี่ยคือทํางานได้ปกติดีทุกอย่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีเพียงแค่หลอดไฟหลอดหลอดไฟแค่เล็กๆแค่สายขาดเท่านั้นนะคะสายหลอดไฟขาดเพียงเท่านั้นนะคะไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะคะเครื่องบินก็พังพินาศเพียงเพราะหลอดไฟอันแล้วไม่กี่บาทใช่ไหมคะเนาะความบาปนะคะบางเรื่องเนี่ย อาจจะดูเหมือนเล็กน้อยนะคะบาปในชีวิตของเรานะคะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันนำผลอันยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นผลที่ร้ายแรงให้กับเรามากนะคะมันสามารถทำให้เราเนี่ยตายฝ่ายวิญญาณได้เลยนะคะให้เราสำรวจชีวิตของเราดูนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีความบาปนะคะเรามีสิ่งไหนที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนหรือว่าสิ่งไหนที่เราจะต้อง รีบแก้ไขหรือค่อยๆแก้ไขนะคะบางทีเนี่ยเราทำมันจนเป็นเรื่องเคยชินไปแล้วนะคะเป็นเรื่องที่เอ่อทำจนชินเราคิดว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะอย่าให้เราใช้เวลาแห่งการเข้าสู่ธรรมนี้นะคะสำรวจชีวิตของเราดูนะคะว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเราบ้างะคะอย่างที่2นะคะการเข้าสู่ธรรมจะมีความหมายได้คือ เราจะต้องสํานึกในความผิดบาปคะเราต้องสํานึกในความผิดบาปในสดุดีบทที่34มสข้อสินะคะได้บอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้าและทรงช่วยผู้ที่จิตใจสํานึกผิดคะและในสดุดีบทที่51ข้อที่17บนะคะบอกว่าเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้าจิตใจที่สํานึกผิดและชอกช้านั้นค่าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูกเลยค่ะเมื่อเราสํารวจชีวิตของเราแล้วนะคะปรากฏว่าพบความบาปให้เราสํานึกในความผิดบาปนั้นนะคะแล้วก็รีบสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้านะคะเมื่อเรารู้ว่าเราทําความผิดลงไปนะคะให้เราที่จะอธิษฐานสารภาพแล้วก็กลับใจนะคะหลายคนรู้สึก ผิดเพราะความบาปจนไม่กล้าที่จะติดตามพระเจ้ารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันหนักหนามากพระเจ้าไม่ให้อภัยเราอย่างแน่นอนนะคะอย่ากให้เราคิดแบบนั้นนะคะแล้วก็บางชีหลายคนเนี่ยไม่ล้มลงแล้วเนี่ยไม่ยอมที่จะลุกขึ้นนะคะแต่พระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยบอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้คนที่จิตใจฟกช้าช่วยผู้ที่สํานึกผิดนะคะพระเจ้าอยากจะยกตัวอย่าง กษัตริย์ดาวิดนะคะหลายๆคนคงจะรู้จักกษัตริย์ดาวิดเป็นอย่างดีนะคะข้าพเจ้าคนหนึ่งนะคะที่ชอบกษัตริย์ดาวิดเพราะว่าเหมือนมีคําถามใช่ไหมคะหลายๆครั้งที่เวลาคนจะถามว่ามีใครในพมพีเป็นไอดอลหรือเปล่าเป็นแบบอย่างหรือมีแบบชอบหรือประทับใจใครข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ประทับใจในตัวของกษัตริย์ดาวิดนะคะกษัตริย์ดาวิดนะค ะ, ะ, คะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าหลังจากที่เขาเนี่ยถูกแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ใช่ไหมคะเราจําได้ เขาเนี่ยทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าทุกอย่างเลยนะคะพระเจ้าสั่งอะไรเขาทําทุกอย่างนะคะแล้วก็พระเจ้าเนี่ยก็พอใจในตัวดาวิดเป็นอย่างมากไม่ว่าดาวิดจะทําอะไรนะคะจะไปรบกับชนชาติไหนนะคะดาวิดก็รบชนะทุกครั้งนะคะแต่แล้วนะคะดาวิดก็ทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเป็นอย่างมากนั่นก็คือวันหนึ่งนะคะดาวิดเนี่ยเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าค่ะแล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะกําลัง อาบน้ําอยู่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอาบน้ําในบั้มพีบันทึกว่าผู้หญิงคนนี้นะคะสวยมากๆนะคะผู้หญิงคนนี้สวยมากดาวิดให้คนไปถามว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นใครชื่อว่าอะไรเขาจะอยากถามพี่น้องนะคะว่าผู้หญิงที่สวยๆคนนี้ชื่อว่าอะไรคะ <S <S นึกว่าพรเพนไม่ใช่นะคะเอาเล่นมุกอะไรนางบัดเชบานะคะนางบัดเชบาคนนี้นะคะก็มีทหารนะคะก็ไปถามไปสืบไป ค้นหาทุกอย่างนะคะก็รู้ว่านางคนนี้ชื่อว่านางบัดเชบานะคะแต่เป็นผู้หญิงสวยก็จริงค่ะแต่นางมีเจ้าของแล้วค่ะเป็นภรรยาของอุรีอานะคะอุรีอาเนี่ยเป็นสามีของบัดเชบานะคะดาวิดนะคะรู้ว่าบัดเชบามีสามีแล้วแต่ว่าดาวิดก็ยังเรียกให้บัดเชบาเนี่ย มาหานะคะเหมือนไปเรียกบอกว่าให้มาพบหน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าประทับใจชื่นชมนะคะให้เรียกเข้ามาหานะคะเมื่อดาวิดนะคะเรียกบัดเชบาเข้ามาหาดาวิดก็สมสู่กับบัดเชบานะคะจนนางเนี่ยตั้งครันนะคะตั้งครันเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะคะดาวิดก็วุ่นวายใจอย่างมากนะคะเพราะว่าบาัดเชบาเนี่ยมีสามีแล้วนะคะดาวิดจึงคิดเจ้าคิดวางแผนนะคะให้ อูริอานะคะกลับจากการรบนะคะมามาบ้านวางแผนไว้นะคะบอกว่าให้กลับมาบ้านให้ไปหาภรรยานะคะแต่ว่าอุริอานะคะเป็นคนที่เป็นคนดีนะคะไม่ยอมที่จะไปหาเพราะว่าไปนอนอยู่ที่หน้าประตูหน้าประตูวังนะคะดาวิดก็คิดแผนนะคะคิดแล้วคิดวางวาง เ, าเขาเรียกว่ามอมเหล้าใช่ไหมคะคือให้ดื่มเหล้าเยอะๆะ เขาก็ยังไม่ไปนะคะนี่คือครั้งที่สองแล้วนะคะครั้งแรกบอกให้มาหาก็บอกให้ไปนอนที่บ้านก็ไม่ไปนอนนะคะครั้งที่สองให้ดื่มเหล้าเยอะๆคิดว่าเมาแล้วจะกลับไปนอนบ้านแต่ไม่ค่ะเขาก็ไม่ไปนอนนะคะจนในที่สุดนะคะคิดแผนการขั้นร้ายแรงเลยนะคะแผนการนี้นะคะคือส่งอุลีอาณาคะไปรบและให้อยู่หน้าสุดเลยนะคะให้อยู่ข้างหน้าสุดอยู่อยู่ในที่ที่มีการรบที่ดเดือดที่สุดนะคะ อุรีอาเนี่ยสู้รบจนเสียชีวิตนะคะจนเสียชีวิตนั่นคือแผนการของดาวิดนะคะจนทำให้อุรีอาเนี่ยเสียชีวิตนะคะหลังจากที่สามีของบาเชบาเสียชีวิตนะคะดาวิดก็ส่งคนไปรับนางบาเชบามาอยู่ด้วยกับตัวเองนะคะมาเป็นมเหสีนะคะแล้วก็คลอดบุตรชายนะคะแต่สิ่งที่ดาวิดทำนะคะพระเจ้าไม่พอพระทัยคะ่ะพระเจ้าไม่พอพระทยัย พระเจ้าจึงให้นาทันนะคะนาทันเป็นผู้เผยพระวจนะนะคะเป็นผู้เผยพระวจนะไปเตือนดาวิดนะคะถึงสิ่งที่เขาทําลงไปไปเตือนดาวิดถึงสิ่งที่เขาทําลงไปนะคะเตือนบอกว่าเมื่อดาวิดคืออาจจะไปพูดว่าเออ เตือนหลายๆอย่างนะคะว่าดาวิดทําแบบนี้ไม่ถูกต้องนะพระเจ้าไม่ชอบไม่พอพระทัยนะคะพี่น้องสามารถกลับไปอ่านได้นะคะในสองสมมุติบทที่11 12นะคะสามารถกลับไปอ่านได้นะคะพระเจ้าจะไม่พูดเนาะเมื่อดาวิดรู้ตัวว่าตัวเองทําผิดนะคะเมื่อดาวิดรู้ว่าตัวเองทําผิดในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วเนี่ยเขาสารภาพค่ะเขาสารภาพกับพระเจ้าและยอมนะคะและยอมรับผิดเขายอมรับผิดและพระเจ้าก็ ให้อภัยนะคะพระเจ้าให้อภัยความผิดบาปที่เขาได้ทำลงไปนะคะโดยที่พระเจ้านะคะจะไม่เอาชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาสิ่งที่เขาทำนะคะยังต้องเจอแต่สิ่งที่บาปความบาปที่เขาทำเนี่ย คือเขาต้องเจอผลของความบาปนะคะเขายังต้องเจอผลของความบาปที่เขาได้ทํานั่นก็คือบุตรที่เกิดมานั้นนะคะอีกเจดวันพระเจ้าบอกว่าอีกเจดวันนะคะบุตรนั้นจะเสียชีวิตนะคะสิ่งที่นาทันพูดเนี่ยก็เป็นความจริงทุกอย่างนะคะเหมือนความบาปนะคะก็เหมือนกับเวลาเราตอกตะปูใช่ไหมคะเราตอกตะปูตรงประตูหรือว่าต ร, ตรง ที่มันเป็นผ น, นังอะไรค่ะเมื่อเราตอกตะปูไปแล้วเนี่ยเมื่อเราเอาตะปูออกมันยังเป็นเป็นไหมคะมันยังเป็นรอยใช่ไหมคะเหมือนกันคะ่ะความบาปนะคะพระเจ้าให้อภัยความผิดบาปกับเราแต่ว่าบางครั้งชีวิตของเราเนี่ยยังต้องได้รับผลของความบาป ท, ที่เราได้ทําลงไปนั้นนะคะแต่พระเจ้านะคะก็ยังรักเรานะคะพระเจ้ารักดาวิดนะคะให้อภัยดาวิด เพราะว่าดาวิดเนี่ยเขาสารภาพกับพระเจ้านะคะยอมสํานึกในความผิดบาปนั้นนะคะพระเจ้าจึงให้บาดเชบานะคะตั้งคันนะคะพระเจ้าให้บาดเชบาตั้งคันและได้คลอดบุตรชายนะคะและตั้งชื่อว่าซาโลมอนนะคะซาโลมอนเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงรักนะคะเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงรัก และซาโลมอนนะคะสามารถกลับไปอ่านชีวิตของซาโลมอนได้ว่าพระเจ้าอวยพรชีวิตของซาโลมอนมากมายพระเจ้าให้ซาโลมอนนะคะมีสติปัญญาที่ดีที่สุดเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ลำเลิศที่สุดนะคะไม่มีใครที่สามารถเรียบกับสติปัญญาของซาโลมอนได้นะคะชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะบางครั้งเราอาจจะเป็นเหมือนกับดาวิดนะคะเนาะ พลาดพลั้งทําสิ่งที่เป็นความบาปเชื่อฟังพระเจ้ามาตลอดเลยชีวิตของดาวิดก็เช่นเดียวกันค่ะเขาเชื่อฟังพระเจ้ามาตลอดเขายอมเชื่อฟังเขาทําตามพระเจ้ามาตลอดแต่ความผิดเพียงครั้งเดียวของเขาใช่ไหมคะครั้งนั้นที่เขาทําผิดเขาแต่เขาทุกครั้งที่ดาวิดไม่ว่าจะกี่ครั้งนะคะทุกครั้งที่ดาวิดทําผิดดาวิดจะสารภาพและสํานึกในความผิดของเขาทุกครั้งนะคะ บางครั้งเราทุกคนก็พลาดพลั้งทำสิ่งที่ไม่ดีทาสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนะคะทำให้พระเจ้าต้องเสียใจแต่ถ้าเรายอมนะคะกลับใจยอมหันจากสิ่งที่ไม่ดีนั้นนะคะพระเจ้าจะให้อภัยเราอย่างแน่นอนคะ่ะเพียงแค่เรายอมสารภาพและอธิษฐานขอการยกโทษจากพระเจ้านะคะการสำนึกนะคะจะนำการสารภาพมาการสารภาพจะนำการยกโทษมาและการยกโทษจะนาการคืนดีมา ะะประการที่3นะคะการเข้าสู่ธรรมจะมีความหมายได้นะคะคือเราต้องควบคุมตัวเองให้อยู่ในวินยัยนะคะเราต้องควบคุมตัวเองให้อยู่ในวินยัยในสุภาษิตบทที่ข้อ1ิบนะคะบอกว่าจงยึดวินัยไว้และอย่าปล่อยไปจงละแวดระวังเธอไว้เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้านะคะในสุภาษิตบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะพระบัญญัติเป็นประชีพเป็นคำสอน เป็นสว่างและคําตักเตือนของวินัยเป็นทางแห่งชีวิตนะคะนักกีฬานะคะจะเก่งได้เขาต้องฝึกซ้อมใช่ไหมคะแต่การฝึกซ้อมของเขานั้นต้องมีวินัยนะคะการฝึกซ้อมของเขานั้นต้องมีวินัยการเป็นทหารเหมือนกันค่ะต้องมีวินัยเวลาเราจะทำอะไรนะคะเราเวลาเราฝึกซ้อมอย่างเช่นเล่นเนปีย โ, โนนะคะเราต้อง ฝึกซ้อมตลอดตลอดนะคะต้องเล่นให้บ่อยๆข้าพเจ้าเคยเล่นเป็นนะคะแต่พอไม่ไม่ได้เล่นปุ๊บคือจับไม่เป็นแล้วนะคะคนที่เล่นเป็นอย่างนี้นะคะเขาต้องซ้อมตลอดเขาต้องฝึกตลอดนะคะต้องมีวินัยกับตัวเองเหมือนกันนะคะในครอบครัวของเราทำไมพ่อแม่ถึงต้องบังคับลูกทำไมพ่อแม่จะต้องบอกว่าลูกต้องตั้งใจเรียนนะทำไมต้องมีวินัยกับสิ่งต่างๆเพราะว่าเหมือนเป็นบังคับตัวเราด้วยนะคะ วินัยนะั่นคือสิ่งที่สําคัญมันจะช่วยเป็นแรงขับเรานะคะแต่หลายๆครั้งบางทีความขี้เกียจมันชอบจะมาแทรกเราใช่ไหมคะช่วงเวลาเข้าสู่ธรรมนี้นะคะอยากให้ชีวิตของเรานะคะตั้งใจเข้าสู่ธรรมจริงๆนะคะคือการรักษาวินัยกับพระเจ้านะคะในการอ่านพระคัมภีร์นะคะอ่านพระคัมภีร์ให้มากขึ้นนะคะจากที่ไม่เคยอ่านเลยนะคะให้อ่านวันหนึ่งนะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งบทหนึ่งบทเยอะไปใช่ไหมคะ อ่านวันละ1ข้อ1ข้อก็น้อยไปเนาะวันละ3ข้อก็ได้นะคะให้เราตั้งวินัยกับตัวเราเองไว้นะคะว่าเราจะอ่านพระคัมภีร์ให้มากขึ้นยังไงบ้างหรือว่าอาจจะตั้งโอ้โหตั้งหลายๆคนอาจจะบอกว่าตั้งเป้าไว้1ปีอ่านให้จบหนึ่งเล่ม1เล่มนี่คือแบบห6บทน ะ, นะคะหรือว่าบางคนอาจจะตั้งเป้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ คิดจากเราก็เหมือนกันที่ยิงที่ข้าพเจ้ า, าได้บอกไปนะคะว่ามีเข้าสู่ทํา40วันนั้น40วันนั้นก็สามารถที่จะช่วยเราได้นะคะเป็นตัวช่วยเราในการที่เราจะควบคุมตัวเองนะคะในการอ่านพระคัมภีร์ทุกๆวันโดยใช้หนังสือนะคะช่วยเราน ะ, ะหรือ การอยู่กับเพื่อนค่ะการเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเราคุยกับเพื่อนไว้ก่อนแล้วตอนนี้นะคะเทคโนโลยีเราทันสมัยนะคะแอปพัมพีค่ะในพัมพีมันจะมีแอปนะคะคือเราสามารถโหลดโหลดมาได้นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแอดเหมือน a c e b o o k เลยคะ่ะเราจะแอดเป็นเพื่อนใครก็ได้นะคะเมื่อเราแอดเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยเราจะแล้วเราก็ตั้งกลุ่มกันนะคะตั้งกลุ่มว่าวันนี้เราจะอ่านพัมพีช่วงเช้านะแล้วเมื่อเราเมื่อพัมพี ข้าพเจ้าใช้นะคะคือว่าเวลาเราแอดหาเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราตั้งกลุ่มไว้เวลาเราอ่านปุ๊บพเพื่อนจะเห็นว่าเราอ่านแล้วเหมือนต้องเต็กต้องติ๊กอ่ะต้องเช็คว่าเออฉันอ่านแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเห็นวิทยตายละฉันยังไม่ได้อ่านเลยอะต้องรีบเข้าไปอ่านเหมือนก็ได้นะคะใช้ใช้การแข่งขันกันแบบเออวันนี้ฉันอ่านหรือ ย, อยังเหมือนมันเป็นตัวกระตุ้นนะคะสามารถใช้แอปนี้ได้นะคะถ้าใครหลายๆคนอาจาจะแบบ พ้อมพีนี้แต่แต่จริงๆก็อยากสนุนใจให้ใช้พ้อมพีจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าอยากช่วยให้มันกระตุ้นเรามากขึ้นก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ได้นะคะเป็นแอปข้างในนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอนุชนอาชีพนะคะหรือว่ายังโปรที่คิดจักวัฒนาเขาก็ทําแล้วนะคะเขาก็เวลามีกลุ่มเซลล์นะคะเขาชอบมาพูดกันว่าเฮ้ย e เมื่อวานมีเพื่อน อ, อ่านพ้อมพีแต่ฉันยังไม่ได้อ่านเลยอะ่ะโอ๊ยแต่ละแต่ละต้องต้องรีบอ่านแล้วละ่ะอะไรอย่างงี้นะคะมันเหมือนเป็นตัวกระตุ้นมันเหมือนเป็นการกระตุ้นกันนะคะ บางทีชีวิตเราก็ต้องต้องมีมีมีกระตุ้นแบบนี้ทอมเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะแบบเออไม่มีกําลังใจขี้เกียจจังเลยทะเลาะกับทะเลาะกับตัวเองบ่อยมากใช่ไหมคะกับเว้ยเมื่อไรจะทําขี้เกียจจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะเนาะก็สิ่งนี้นะคะสามารถที่จะช่วยเราได้นะคะกระตุ้นซึ่งกันและกันได้นะคะรับใช้พระเจ้าให้มากขึ้นนะคะตั้งแต่ต้นปีมามีใครยังไม่ได้รับใช้พระเจ้าบ้างคะรับใช้พระเจ้า งานเล็กๆน้อยๆก็สามารถรับใช้พระเจ้าได้นะคะถือถุงถวายนะคะช่วงบ่ายอย่างนี้นะคะเห็นแต่หน้าเดิมๆใช่ไหมคะเตรียมตัวเลยค่ะไปลงชื่อวันนี้อาทิตย์หน้าหนูขอถือถุงถวายกับคนนี้ไปลงชื่อเราจะจับคู่ให้อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อไหรเมื่อไหรก็พรเพนเมื่อไหรเมื่อไหร่ก็คนนี้นะคะคือคนเดิมๆทางนั้นเลยก็พี่น้องสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าโดยการถือถุงถวายก็ได้นะคะนำนมัสการนะคะหรือว่าร้องเพลง หรือว่าจะเป็นการเล่นดนตรีใครมีความสามารถนะคะสามารถที่จะมาถวายเกียรติให้กับพระเจ้าได้นะคะเนาะพยายามทำทุกวิธีการนะคะในการที่จะใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าให้มากขึ้นนะคะ ควบคุมชีวิตของตัวเองนะคะอย่าให้โอกาสแก่มานนะคะบางทีมานก็แบบเข้ามาในรูปแบบที่แบบเออไม่เป็นไรหรอกคนอื่นมีเยอะแยะบางคนบอกเออคนนั้นก็ทําได้คนนี้ก็ทําได้อย่าให้เราคิดแบบนั้นนะคะแต่ให้เราที่จะช่วยกันเนาะเพราะว่าคิดจักจะไปได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราทุกคนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันคือช่วยที่จะผลักดันกันไปได้นะคะ ให้ซื่อสัตย์กับพระเจ้านะคะเหมือนทหารที่รักษาวินัยนะคะรักษาวินัยในการซื่อสัตย์ต่อผู้บังคับบัญชาเนาะเราก็ซื่อสัตย์กับพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าในการที่จะมีวินัยกับพระเจ้านะคะโดยการอ่านพระพิธีอธิษฐานนะคะที่อย่างที่4ประการที่4นะคะประการสุดท้ายนะคะฟื้นฟูนะคะฟื้นฟู ในสดดีบทที่23ข้อที่3นะคะบอกว่าทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์คะสดุดีบทนี้คุ้นคุ้นไหมคะสดดีบทที่23นะคะหลายๆคนอาจจะท่องได้นะคะแต่ข้าพเจ้ายกมาแค่ข้อ3นะคะทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระ อ, องค์นะคะเมื่อเราได้สํารวจชีวิตของเราแล้วนะคะเราสํานึกในความผิดบาปแล้วและพร้อมในการที่จะติดตามพระ อ, องค์ด้วยความสัตศรัทธาติดตามอย่างมีวินัยในตัวเองนะคะชีวิตของเราจะได้รับการฟื้นฟูใจะคะ่ะหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าพระเจ้าจะทําให้ชีวิตของเรานะคะสดชื่นนะคะมีทำให้ชีวิตของเรา มีชีวิตชีวานะคะดูใบหน้าผู้รับใช้พระเจ้านะคะดูแต่ละคนเป็นไงคะสวยใช่ไหคะหุดผ่องหน้าตาแจ่มใสนะคะคืออันนี้ข้าพเจ้าบอกตรงนะคะว่ามีหลายๆคนนะคะทักข้าพเจ้าว่าทำไมทาไมแบบว่าดูดีขึ้นอย่างนี้นะคะ ทำไมดูดีขึ้นข้าพเจ้าบอกว่าอ๋อรับใช้พระเจ้าไงคะเขาก็จะถามคําถามละเพราะว่าเพื่อนของข้าพเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นคริสเตียนนะคะเขาจะถามว่าเฮ้ยรับใช้พระเจ้าอะไรอ่านั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสประกาศเรื่องราวของพระเจ้าด้วยว่าเออเป็นคริสเตียนเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนแปลงชีวิตทำไมชีวิตถึงเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะชีวิตของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆนะคะคือถ้าใครเห็นชีวิตข้าพเจ้าตั้งแต่แรกเนี่ยจะบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มากๆนะคะข้าพเจ้าต้องขอบคุณพระเจ้ามากๆนะคะเหมือนกันนะคะพระเจ้า ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยฟื้นฟูฟื้นฟูชีวิตของเรานะคะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตชีวานะคะมีกําลังใจนะคะมีกําลังในการดําเนินชีวิตนะคะอิ่มใจนะคะอิ่มอกอิ่มใจนะคะในการรับใช้พระเจ้าเนาะเมื่อไรเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราตัดสินใจทำบาปเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเลือกทางของเราเองนะคะแล้วเราเนี่ยไม่สามารถที่จะโทษพระเจ้าได้นะคะหลายๆคนอาจจะโทษพระเจ้าว่าทําไมฉันโอ้ติดตามพระเจ้าแต่ทําไมฉันถึง เ, เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชีวิตอะไรต่างๆแต่หลายๆครั้งบางทีเราบอกว่าเรารับใช้พระเจ้าแต่เมื่อรากที่อยู่ข้างในของเราค่ะพระเจ้าเห็นนะคะว่ารากของเราเป็นแบบไหนหลายๆคนอาจบอกว่ารับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าแต่ข้างในจริงๆอาจจะยังมีบางอย่างที่เราจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะให้เราที่จะ ฟื้นฟูใจกับพระเจ้านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้เลี้ยงของเราหรือว่าพระเจ้านะคะทรงรู้จากทุ่งหญ้าเขียวสดและริมน้ำอันสงบนะคะที่จะช่วยฟื้นฟูเราได้นะคะพระองค์ทรงรู้จากที่ที่นั่นนะคะทรงรู้ว่าที่ที่ไหนที่จะฟื้นฟูใจเราได้เราจะไปถึงที่นั่นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราติดตามพระองค์ค่ะเราจะไปถึง ริมน้ำอันสงบและทุ่งหญ้าอันเขียวสดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราติดตามพระองค์ด้วยความเชื่อของเรานะคะติดตามพระองค์ด้วยความเชื่อของเราถ้าหากเราไม่ยอมให้พระผู้เลี้ยงหรือว่าพระเจ้าทรงนำเราเนี่ยก็เท่ากับว่าเราปฏิเสธพระองค์แล้วก็ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยคือเราปฏิเสธไปเลยนะคะ เมื่อเราได้รับการฟื้นฟูใจเราแล้วนะคะชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นพระพรให้กับผู้อื่นอีกมากมายนะคะเมื่อเราอยู่ท่ามกลางใครนะคะเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะในคำอธิษฐานของเซนต์ฟานซีแทนซีซีนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพรงเป็นเครื่องมือแห่งสันติของพระองค์นะคะที่ใดมีการเกลียดชังนะคะให้ข้าพรงหว่านความรักที่ใดมีการบาดหมางให้หวานการยกโทษ ที่ใดมีการแตกร้าวให้หวานสามัคคีธรรมที่ใดมีการสงสัยให้หวานความเชื่อที่ใดมีความว้าวุ่นท้อถอยให้หวานความหวังที่ใดมีความโศกเศร้าให้หวานความยินดีอย่าให้ข้าพระองค์แสวงหาการปลาเล้าปลมใจแต่ปลาเล้าปลมใจผู้อื่นมิใช่สแสวงหาสแสวงไม่ใช่สแสวงหาความเข้าใจ แต่พยายามเข้าใจผู้อื่นมีใช่สแสวงหาความรักแต่รักเขาเพราะด้วยการให้ทำให้ข้าพระอง์ได้รับด้วยการยกโทษข้าพระอง์จึงได้รับการยกโทษและในความตายนั้นเองที่ทำให้ข้าพระอง์ได้รับชีวิตนิรันดร์นะคะเมื่อเราได้รับการฟื้นฟูจิตใจของเราแล้วให้เราเป็นเหมือนอย่างที่ข้าพระง์ได้พูดไปนะคะ สามารถไปหาได้นะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเราควรจะทําแบบไหนบ้างนะคะการสํารวจนะคะทำให้เราสํานึกเนาะเมื่อเราสำรวจตัวเราแล้วเนี่ยเราจะสํานึกในความผิดบาปของเราว่าเออเรามีสิ่งไหนที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนและแก้ไขให้เราสารภาพสิ่งนั้นและสํานึกในความผิดบาปนั้นนะคะและพร้อมที่จะดําเนินชีวิตเป็นสิทธิ์ที่สัตซ์ซื่อขององค์พระเยซูคริสต์นะคะและเราจะได้รับการฟื้นฟูจิตใจของเราเตรียมตัวเรานะคะ เตรียมใจสัมรวจสัมรวมนะคะสํานึกแล้วก็สารภาพหันชีวิตเข้าหาพระเจ้ามากขึ้นนะคะเข้าสู่ธรรมธรรมสู่ชีวิตของเรานะคะขอพระเจ้าที่จะไวพรอนพี่น้องนะคะให้เราที่จะเข้าสู่ธรรมนี้นะคะอีกไม่กี่วันนะคะอีกสองอาทิตย์ก็จะถึงอีสเตอร์แล้วนะคะเข้าสู่ธรรมวันนี้ก็ ถ้าเลนนะคะก็เป็นวันที่ย8ดใช่ไหมคะเข้าวันที่29แล้วนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเป็นเหมือนไม่นับวันนี้นะคะเริ่มพรุ่งนี้ต่อนะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะให้เราที่จะมีอยู่4ประการด้วยกันนะคะก็คือสําอะไรนะคะจําได้ไหมคะประการที่1คะ่ะจําได้ไหมคะสํารวจตัวเองนะคะสํารวจตัวเองสํานึกในความผิดบาปนะคะ สำนึกในความผิดปราบควบคุมตัวเองนะคะให้อยู่ในวินยัยและสุดท้ายนะคะคือฟื้นฟูใจเรานะคะให้เข้าหาพระองค์นะคะก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพ ร, พ, รพี่น้องค่ะอาเมน